แกดิ้กับหรือเปล่าไม่ไม่ไปออกก็ไปที่ไหนซีดีแทนนั้น สมาธิจะ น, นานพอจะลงมือจเจริญสติสิกิ่ก็กลําบากนี่เพราะใจมันจะไม่ค่อยอยากทําเวลาทําสมาธิมีความสุขให้จเจริญสติกว่าจะรู้จักความสุขของการมีสติเนี่ก็ลําบากที่จริงแล้วสุขของสมาธินั้นมันจะสุขคยคล้คนติดยาสุขแบบเคลิมเคลิ้มเยิมเยิม้ม สุขของความรู้สึกตัวนี่มันสุขที่โปร่งเบาสบายเป็นตัวของตัวเองสุ ข, ขคนละแบบคมคอันา น, ใน่าทีันดดววกิตมแล้วีตทันทีที่เรารู้สึกตัวจิตที่รู้สึกตัวจิตที่มีสติเนี่ยมันเป็นมหากรุศลจิต มหากรุสระจิเนี่ยมันมีเวทนาสองอย่างท่านนึกสุเบกขาเป็นกลางบางวันเวลาเราดูบางวันก็เป็นกลางเมืางครั้งพอมีสติปั๊บขึ้นมาก็ามีส ม, มานั้นเวทนามีความสุขขึ้นมาเลยแต่ทางใจนี่พอเราฝึกมากๆเราจะรู้จักว่าสุขที่ต้องไปอิงอาศัยอารมณ์เนี่ยมันอย่างหนึ่งแต่ทั้งอารมณ์ สมถะที่เราทำบางวันก็อาศัยได้บางวันก็อาศัยไม่ได้กับสุขอีกชนิดหนึง่งเป็นสุขที่ไม่อิงอาศัยไม่อิงอาศัยอารมณ์เป็นสุขของความที่เรารู้เนื้อรู้ตัวเป็นตัวของตัวเอ ง, งจิตใจมันปลอดโปร่งรุ่งเบาแล้วก็มีความเบิกบานชั่มชื่นใจโดยที่เราไม่ได้ไปอิงอาศัยอารมณ์อะไร จิตมันวางอารมณ์แล้วมันเบิกบานขึ้นมาแต่เราก็ไม่ได้ฝึกเพื่อจะเอาความเบิกบานตัวนี้เราฝึกเอาความรู้สึกตัวทันทีที่เรามีสติรู้สึกตัวถึงสัมสปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นมาเนี้ยกิเลสมันแทรกไม่ได้ตัญหามันตามแทรกไม่ได้ คือไอ้อ น, นี่ไม่ใช่อ่ะนะส่วนใหญ่จิตยังมีโมหแนะแทรกอจิตยังมีโมหะแทรกคล้ายๆกับว่าเรามองฟ้าไปเงนะี้ยรู้สึกแหมวันนี้ก็มีแสงแดดมีอะไรสว่างสมมุติอย่างนัน้แต่มันยังมีหมอกนะมเนี่ยเล็กๆเห็นไหมเหมือนหมอกมัวๆันนี้หัดไปหนนะึ่งอ คือมันจะรู้ทันนะท่านบ้งต้นก็จะรู้ทันโมหะที่ครอบงำจิตพอพอรู้ทันแล้วก็จิตมันถอดถอนตัวเองออกจากการห่อหุ้มของโมหะได้มันเป็นการยากมากเลยที่เราจะเห็นโมหะไอโรพาโทสานี่เห็นง่ายมันยาก แต่โมหะอย่าง ใ, ใจมันซึมลงมไปหน่อยๆน่อยใจไม่กับพี่กับเราหรือใจฟุ้งไปนะอยากปฏิบัติกำหนดโน้นกำหนด น, น, น, ดนี้ทำอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่รู้ว่านั้นเนะ่ะถูส้สซางเพราะว่าการปฏิบัติจริงๆเราทำแค่ว่าเราเระรู้ทุกอย่างที่ปรากฏตามที่มันเป็น พอเราเรีรู้ทุกอย่างที่ตากกดตามที่มันเป็นจริงๆแล้วเนี่ยเป็นจะเห็นว่าไม่มีตัวตนเห็นใจรักไม่มีตัวตนแต่ว่าใจของเราคุณภาพบางทีมันยังไม่ไม่ถึงขนาดยังมีความมัวมัวแฝงอยู่นี่เราฝึกอย่างเดิมคนในโลกนี้เขามัวมากทั้งมัวมัวจนมืด มืดก็หนักหนักไปเลยจิตใจหนักๆนั ก, นกมืดมืดเวทพอสังเกตออกไหมเราเคียบจิตเดี๋ยวนี้ก็จิตไปก่อนนะมันผิดกันแต่ก่อนมันหนักหนักมันมืดมืดเราฝึกมากเข้ามากเข้ามันโปร่งใสมันสว่างเป็นตัวของตัวเองขึ้นมาไอ้สิ่งที่เคลือบแฝงห่อหุ้มค่อยๆสลายตัวไปตามกําลังของสติปัญญา มันปัดความรู้สึกทั้งนอกหมดนะตาหูจมูกลิ้นใจยังไม่มีหล้ไม่ทำเข้าไปเลือแต่ใจแต่ตรงนั้นตรงนั้นที่มันจะเกิดขึ้นนันเป็นความเป็นความรู้กตวที่เกิดขึ้แบบแบบนี้จะเป็นคณิกะคณิกะสมาธิความรู้สึกตัวเพราะเรารู้ทันสภาวะเราไปมีสติไปรู้ทันสภาวธรรม ที่กำลังปัากดเนี่ยความรู้สึกก่อตักกขึ้นมามันต้องเกิดเองสตินั้นมันเกิดเองเกิดเองที่จริงๆัเ่ที่มันเกิดใช่ใช่ที่เราตั้งใจทามันเจือด้วยตัณหาเจือด้วยตัณหาและทิฏฐิคือมีความเห็นว่าต้องทำอย่างนี้ถึงจะดี เพื่อจะฝึกให้รู้ทันว่ากําลังมีปัญหาที่ตีแทรกอยู่หรือเปล่าอย่างเวลาที่อยากจะมาพูดเรื่อยๆว่าทรงใจแล้วนะตั้งท่าปฏิบัติแล้วนะเพราะว่ามันไม่ใช่ของจริงความรู้สึกตัวที่สร้างขึ้นไม่ใช่ของจริงแต่ยังเราเผลออยู่แล้วเราสติเกิดะระลึกได้ปแบบั๊บเผลออยู่ในขณะนั้นไม่เผลอละ ในขณะนั้นความรู้สึกตัวตัวจริงก็ปรากฏขึ้นมาไม่มีน้ําหนักแต่ความรู้สึกตัวที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยยังมีน้ําหนักมีหนักหนักหน่วงหนวงตื้อตื้ออยูหน่อยมันจะเป็นของปลอมเพราะฉะนั้นหน้าที่ไม่ใช่ไปทำความรู้สึกตัวขึ้นมาหน้าที่รู้ทันอะไรแปลลอมเข้ามานะคอยรู้ทันไปรู้ทันอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาเรารู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่น่ะ รู้ทันจิตที่ไหลไปตามทวารทั้งหกพอเรารู้ทันว่ามันลงไปแล้วปั๊บมันตั้งขึ้นมาเลยอัตโนมัติเพราะนั้นสติเนี่ยทำขึ้นไม่ได้แต่ปัญญาต้องอาศัยการอบรมอาศัยการเจริญปัญญาก็คืออาศัยการที่เรามีสติเนืองเนืองเกิดขึ้นเรื่อยๆ ไิดนะเบื้องต้นไี่งไงความจริงก็คือในเบื้องต้นเนี่ยจะเห็นสภาวะกเห็นว่ามีบางอย่างปรากฏนะรู้แค่นั้นนะนะเป็นปัญญาขั้นต้นเรียกยาตะปริญญารู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นเรื่องความสุขเกิดรู้ทุกเกิดรู้ยังไม่เห็นใจรักนะตัวที่สองเาเรียกปีรณปริญญา คือพอเราเห็นเนืองๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงเห็นถ้าเห็นอารมณ์ปรมามัดขนาดจิตเดียวนะ่ไม่เห็นอ น, นิจจังทุกครังอะแต่เห็นอนัตตาได้ไม่ใช่ตัวเราภาวะที่ดูง่ายเลยในภาวะที่ดูทีละขณะนะก็ดูเป็นอนัตตาอย่างง่ายมันไม่ใช่ตัวเรามันถูกดูนี่ถ้าเห็นซ้ําๆๆไปนี้สุด มัน okay. เกิดปัญญาเห็นใจรักแล้วก็พอเห็นใจรักแล้วก็ต่อไปก็เกิดปัญญามากขึ้นไปอีกก็จะเห็นว่าถ้าเข้าไปยึดก็จะทุกข์ลำพังทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏนะทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วหยาบละเอียดนะภายในภายนอกทุกสิ่งทีกอย่างที่ปรากฏเนี้ยยังไม่ทุกข์หรอกตัวมันเองอะเป็นทุกข์คือทนอยู่ไม่ได้แต่จิตของเราทําไม่เข้าไปยึดถือจะไม่ทุกข์ จะเริ่มเห็นอริยะสัตว์เห็นว่าถ้าเมื่อไหรจิตถลมลงไปทะยานเข้าไปมีตันหาทางตาหูจมูกลิ้นใจใจมีตันหาเข้าไปจับอารมณ์ปั๊บจิตจะเป็นทุกข์จะหนั ก, ห น, กหนักขึ้นมาแน่นแน่นขึ้นมาพอพอมีปัญญาถึงขั้นนี้ยมันจะเกิดการตัดขึ้นมานะเขาเรียกปหานะประินยาเป็นการตัดคือการปล่อยวางนั่นเองปล่อยวางความยึดถือลงไป จิตมันทำเองเรามีหน้าที่คอยระลึกรู้ไปแล้วนะ เ, เวทเวทดูทุกสิ่งที่ปรากฏนั้นแนหะไม่ใช่ตัวเราดูไปแค่นั้นนะทุกอย่างที่ปรากฏไม่ใช่เราเหรอกมันเป็นของถูกรู้ทั้งหมดเลย น่าทำงานทำครบ แ, แ, รรบแหละอ้าลหันก็ทำครบนะาคือพอมีผัสสะใช่ไหมพมีเวทนามีสัญญาต้องทำงานนะมีสัญญ า, ม, ญญ า, ม, ญญามีเวทนาทำงานสังขารก็ต้องทำงานจิต ญ, ญาณก็ตามรับรู้อารมณ์ทางใจไปเขารู้ไม่ทันก็เข้าไปยึด ก็ทำขึ้นมานะ<ชอบ>นามขันทั้งหมดในะจิตจะสิก ข, ขันทั้งหมดเนะี่ยเกิดดับพร้อมกับจิตทำงานร่วมกับจิตจิตตัวเดียวโดดโดดทำงานไม่ได้อย่างบอกปฏิบัติไปจนเหลือแต่จิตล้วนๆ น, นั่นก็เป็นโมหานต์แปหมายถึงว่าจิตไม่เข้าไปยึดถืออะไรอะนี ตัวความคิดเนี่ยนะก็เป็นธรรมารมที่จิตไปรู้เข้าแต่เป็นธรรมารมชนิดที่เป็นสมมุติบัญญัติธรรมารมมีเยอะนะอย่างสิ่งที่ตาเห็นเนี่ยมีรูปคือสีอย่างเดียวเองสิ่งที่หูได้ยินก็มีเสียงอย่างเดียวแต่ธรรมารม์ที่รู้ด้วยใจ่เยอะมากเลยนิพพานก็เป็นธรรมารมันนึ่งสมมุติบัญญัติเรื่องราวที่เราคิดก็เป็นธรรมารมันนึงรูปรูปบางอย่างรู้ด้วยใจเป็นเหมือนธรรมารมนั่นแหละีรู้ด้วยใจ ก็เจตสิกทั้งหลายรู้ด้วยใจจิตทั้งหลายรู้ด้วยใจอย่างการที่เราเห็นจิตเกิดดับทางทาวารทั้งหลายเนี่ยเดี๋ยวไปทางตาเดี๋ยวไปทางใจเกิดดับเกิดดับนี่ก็รู้ด้วยใจเพราะฉะนั้นอย่างถ้าเราเห็นจิตที่เกิดดับทางทาวารต่างๆเนี่ยถึงจิตหนึ่งเว็จะเห็นว่าไม่มีตัวตนจิตไม่ใช่ตัวตนจิตบังคับไม่ได้จิตไม่เที่ย ง, ยงจิตทางตาเกิดได้แว บ, บเดียวใช่ไหม ลองลองดูสิลองดูหลว ง, งพ่อขณะเดียวเองจิตที่เกิดทางตามีขนาดจิตเดียวแล้วมันก็ไปเกิดซ้ําๆๆอยู่ทางใจแล้วนะก็แวบหนึ่งไปเกิดทางหูแล้วก็ามาซ้ำซํำๆอยู่ที่ใจ<ว><ม>เห็นไหมไปทางใจแนละ้วส่วนใหญ่ไปเกิดที่ใจเนหะ็นไหมไปที่ใจเกิดทางตาเกิขดขณะจิตเดียวแวบจบแล้วเห็นไหมดูออกไหมมองวับ แล้วเข้าที่ใจแวบเข้าที่ใจเมืเ่อจิตเองเกิดดับเกิดดับตลอดเวลาใช่จิตเชี่ยงลงกระทั่งจิตก็เกิดดับเนี่ยเลื่ลองดูต่อไปสิ่งที่เกิดแก่จิตเนยเช่นสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายก็เกิดดับไปเกิดดับเกิดดับเกิดดับเป็นแบบเมื่อสังเกตไม้มสิ่งที่ตามองเห็นเนี่ยเป็นเบทนาชนิดไหนเป็นสุขเป็นทุกข์นี่เฉย ตอนตาตอนตอนที่ตากระทบรูปเนี่ยเฉยๆอย่างเดียวเลยตากระทบรูปไม่มีสุขมีทุกข์หรอกแต่ว่าถ้าก้อนหินกระทบกายเนี่ยมีสุขมีทุกข์เ้นตาหูจมูกลิ้นรู้อารมณ์รู้เวทนานเดียวเองรู้เบกขากายจิยใจเนี่ยรู้ได้หมดสุขก็ได้ทุกข์ก็ได้เฉยๆก็รู้ มันอะไรนะเพิ่มก็มือเบียดขามกันกนะันแต่ว่าเมื่ต้นลึกลงไปอีกชั้นความจงใจที่จะไปดูจิตตัว น, นี้หลอกให้เราทำงานต่อตั น, นี้เดียบทเนี่ยจิตสัง่งจิตสัง่ง <c oughs> เราเลือกไม่ได้ในขั้นต้นที่เขาฝึกอ่ะ ฝึกกายานุปัสสนาดูแต่กลยเนี้ยมันเหมือนนักมวยเข้าค่ายซ้อมอ่ะวันนี้สอกก็สอกอย่างเดียววันนี้ชคก็ชคอย่างเดียวเวลาลงสนามจริงไม่เป็นอย่างลงสนามจริงมาทุกทวนันแค่นั่งฟังเนี้ยใช้อยู่สามยตนะในอย่างน้อยเสียวก็ตาเดี๋ยวก็หูเดี๋ยวก็ใจตาหนึ่งขณะจิตก็เข้าไปที่ใจหูหนึ่งขณะจิตก็เข้าที่ใจ ดูออกไหมเกิดดับเกิดดับถี่ยิบรอบตัวเปหมดแล้วตัวตนอยู่ที่ไหนไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนได้เห็นจิตที่เกิดดับไปเองมันเป็นตัวตนจะไม่มีหรักเข้ารู้ไปวันหนึ่งปัญญามันรู้แจ้งแทงตลอดศัจย์ยุทธิที่จะขาดเข้ารู้ไปอย่างเงี้ยขาดง่ายเลย มีคนรู้กายก็เป็นกายสิกายก็เป็นกายอย่างนี้แหละแต่มันถูกรู้กายมันปัญญามันยังไม่แก่มันจะเห็นว่าไม่ใช่ตัวเรารู้สึกไหมเป็นของถูกรู้ไม่ใช่ตัวเรานั่นแหละเห็นอย่างนั้นแหละอื ก็มันเป็นวัตถุ ก, ก้อนหนึ่งมาตั้งอยู่นะวัตถุ ก, ก้อนนี้กับวัตถุ ก, ก้อนนี้เนี่ยมันเหมือนกันไหมเ้ารู้ลงไปเนี่ยกายภายในมีกายภายนอกกายภายนอกถุกรู้เสมอกันมันไม่ไม่ใช่ลงดูลงไปสิกายนี้มันบอกว่ามันเป็นตัวเราไหม ลองถามมันดูทนเนี้ยใจนี้นะแกบอกไหมว่าแกเป็นตัวเราไม่บอกหรอกายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตไุไม่ใช่ไม่ใช่มันก็มีอยู่ของมันอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่มีน้ําหนักในใจเราเข้าใจเราไม่เข้าไปยึดถือก็ไม่เกิดน้ําหนักขึ้นมา มไม่ใช่เนี่นั้นเป็นอาการของจิตที่มันไม่สนใจกายนะทิ้งกายมารู้จิตกายก็ทิ้งไปทำได้ดีมากนะดีใช่ไห ดูความเกิดจากของเขาไปนะดูความไม่มีตัวมีตนคือมันบงไม่ใช่ตัวเราที่สั่งได้ถาวรเนอ่ะดูไปไ้อปื่ยอย อ, อ, อ, อ, อือหยุดหมายถึงว่าเราปล่อยให้ความคิไดไั้ทํางานไปตามธรรมชาติไม่ใช่ไปห้ามเขาแต่ว่าถ้าเราต้องการจะทําความเข้าใจด้วยการคิดนี่มัเป็นไปไม่ได้ เราต้องทําความเข้าใจด้วยการรู้อย่างเราอยากเห็นว่ากายไม่ใช่เราเนี่ยไม่ใช่นั่งคิดว่ากายไม่ใช่เราแต่เราต้องมีสภาวะทำรองรับเฝ้ารู้ลงไปจนเห็นว่าไม่เป็นก้อนาธาตุก้อนหนึ่งมาตั้งอยู่ตรงเนี้ยตัวมันไม่เคยบอกเลยว่ามันเป็นตัวเราแต่จิตที่หลงผิดอ่ะจิตที่คิดเอาเองอ่ะว่านี่เป็นตัวเรามันเจียมแน่แย่งแยะได้อ๋อความเป็นตัวเรานี้มาจากความคิดนี่เองมาจากความคิดความเห็นนี่เองตัวเราจริงๆไม่มี ตัวความคิดความเห็นว่ามีตัวเรานะั่นเรียกว่าสกฤฤฤฤิยทิฏฐินะงั้นพอปฏิบัติทำมาเนี่ยของจริงคือสภาวะเนี่ยมารองรับความจริงให้เราดูนี่ท่านบอกว่าหยุดคิดถึงอย่ารู้อย่าไปคิดเอาว่าใช่ไม่ใช่ดูตัวสภาวะของจริงแต่ความคิดก็อย่าไปห้ามมันมันต้องคิดของมันนั่นนะแหละพอมันคิดไปแล้วก็เกิดกุศลบ้างอกุศลบ้างก็ดูสภาวะของกุศลอกุศลไม่มีตัวเราอีกเป็นสภาวะที่ว่ามีเหตุเขาก็เกิดหมดเหตุเขาก็ดับ ไม่มีตัวมีตนไม่คิดหน้าอย่าไปคิดนำ้ำแต่ว่าใจเราคิดเองแหละเองนั่งอยู่ดีๆก็นึกขึ้นได้สัญญาผุดขึ้นมาเรื่องคือพิถึงแฟนคราวนี้สังขารพุ่งต่อเลยถาว่าห้ามได้ไหมไม่ให้นึกขึ้นมาไม่ให้คิดขึ้นมาห้ามไม่ได้แต่พอคิดๆแล้วกุ้มใจวนกุ้มใจขึ้นมารู้ว่ากุ้มใจกุ้มใจมีสภาวะธรรมรองรับนะ แต่ก็สังเกตเช่นพวกต่างการกสิการอะไรเช่นปุ่มจมจับบางทีแต่ละอย่างเกิดแต่ละอยางก็เสื่อมเสืมสื่อมคือเหมือนตัวพวกนั้นนะคว่าดูว่าเออทกแต่ละอย่างก็เสื่อมอืมแต่ต้องมันต้องมีของจริงรองรับนะอย่างเราเห็นสัญญาผุดสังขารผุดถ้าเห็นของจริงรองรับนี่ใช้ได้นะเห็นได้แต่ พยายามฝึกไหมน่นแว่ามันมนมนมีัไอืมไม่ไม <that> <two> ่ร <hein> ู together, ้ว่าฝึกแล้วจะเข้าไปติดมันไหมคือการปฏิบัติถ้าดีที่สุดเลยก็คือฝึกไปตามธรรมชาติแต่ว่าถ้าช่วงไหนจิตใจอ่อนกำลังนั้นจะซ้อมบ้างก็คงไม่เป็นไรหรอก แต่ถ้าไปเล่นจนชินนะเดี๋ยวกายเป็นว่าต้องมีกิจกรรมมีกิจกรรมมากกว่าการรู้สภาวธรรมมันเหมือนกวนน้ำให้ขุนขึ้นมาอีกนะแต่ว่าอาศัยในเบื้องต้นก็พออยู่พอได้อยู่คือตัวขันห้าตัวจริงๆนะไม่ใช่ตัวสมมติบัญญัติอย่างนี้เราต้องการดูว่ากายไม่ใช่เรารู้ลงในกาย ด้วยใจที่ตั้งมั่นใจที่รู้เนื้อรู้ตัวไม่หลงแล้วเราจะเห็นกายเป็นก้อนธาตุมันมัดกองไว้ตรงนี้จะต้องมีตัวจริงเนี่ยตัวจริงของรูปยงข น, นั้นเวลาเดีมันมีสังขารแต่เราก็เห็นพอเห็นรูปะเราก็เลยเรียนเกียับัด่นง น, น่ น, น, งนคิดตอเอ อ, อ, อ, อแต่ถ้าเราเห็นสังขารผุดขึ้นมาศุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายผุดขึ้นมา แล้วเราเห็นตัวจริงๆมันยังความสุขเกิดขึ้นในใจรู้ทนันความสงสัยเกิดขึ้นในใจรู้ทันเนี่ยอย่างนี้มีของจริงรล่องรับไม่ใช่ความคิดดีแล้วนะทอยู่แนวเนี้ยทาไปมันจะค่อยๆแยกออกไปเรื่อยแยกทำลายความเห็นผิดไปด้วยอย่างเราเห็นกายเป็นแค่ก้อนธาตุนะไม่เห็นแล้วต่อไปก็เห็น เวทนาสัญญาสังขารนะก็เป็นแค่นามาธรรมอันหนึ่งเท่านั้นก็เป็นธาตุอีกชนิดหนึ่งนะตัวใจเราเป็นวิญญาณธาตุเกิดนะับธาตุตัวนี้ไม่ใช่เหมือนธาตุของฝรั่งนะไม่ใช่ธาตุของฝรั่งมันหมกหมมันดับยากใช่ไหมธาตุของเรานี่หมุนเวียนตลอดเลยเปลี่ยนไปไดนะ้อย่างแขนเราเนี้่สมมติวางเฉยๆเนี่ย มีธาตุดินพอประมาณเรเกรงให้มาเนี้ยมี่ธาตุดินเพิ่มขึ้นธาตุดินเพิ่มขึ้นธาติลมน้อยลงอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่ต้องเรียนยุ่งยากขนาดนั้นนะ น, นะเราให้เห็นเหมาทั้งหมดเป็นธาตุก็ได้ธาตุทั้งหมดะไม่ใช่ตัวเรานามธรรมทั้งหมดไม่ใช่ตัวเร า, า, ทท เ, ราเป็นของถูกรู้ถูกดูเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ปรากฏขึ้นมา เขารู้ไปเรื่อยแต่เจอทั้งมาตัวสุดท้ายนะเห็นจิตที่มันเกิดตั้จิตไม่ใช่ตัวเรารู้ไหมมันไม่ใช่ตัวเรามันบังคับไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวมันก็รู้ทางตาเดี๋ยวก็รู้ทางหูบังคับไม่ได้เขารู้ลงไปรู้ลงไปเรื่อยเรื่อยซ้ำซ้ำลงไปนวันหนึ่งจะทําลายความเห็นผิดว่าจิตเป็นเราเนยะสักกายทิฏฐิจะขาดไม่มีทางที่สักกายทิฏฐิจะขาดด้วยวิธีอื่นสักกายทิฏฐิขาดได้ด้วยการที่เห็นขันห้า ไม่ใช่เรารูปนง่ายเลยรูปเป็นก้อนธาตุมาตั้งอยู่เริ่มปฏิบัติก็เห็นเลยนะสุขทุกข์นะคือตัวเวทนาตัวความจําได้ไหมายรู้ตัวความคิดนี่นง่ายๆดูง่ายเห็นมันไม่ใช่ตัวเราถูกรู้มันเป็นธรรมชาติที่มีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับไปตัวจิตนี่ดูยากเราจะปฏิบัติเราไม่จะหลงผิดว่าจิตมีอยู่ดวงเดียวจิตนี้ดวงเดียวคงที่อยู่อย่างเงี้ยทั้งวันทั้งคืนงั้นดูยังไงก็เที่ยง แต่ถ้าเห็นมันเกิดดับเกิดทางตาดับเกิดท้งหูดับเกิดทางใจก็ดับบังคับก็ไม่ได้วันหนึ่งเนี้ยจิตมันรู้ความจริงโอ้ไม่มีตัวเราจิตก็ไม่มีตัวเราไอ้ความเห็นผิดก็ขาดเลยใส่ที่ขาด ก, ก็จะหมดกาลังเลสงสัยในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์รู้แล้วว่าท่านรู้อะไรกันรู้ว่าท่านสอนอะไร ความลังเลสงสัยว่าจะปฏิบัติยังไงดีเขาจะไม่มีอีกเขารู้แล้วว่าต้องรู้รูปรู้นามนี่แหละนะโอเคนะเดี๋ยวพักก่อนโอ้ยังนะดีที่เห็นเนะาะโหหะดูยาก เนี่นนยเขายังเชื่อ่อยนะเมื่อกี้ยังบนกาเลยไอสองคนนี้ไม่ทำอะไรมาโมหาแทรก <c oughs> เออก็ดีขึ้นแล้วนะ <c oughs> มันได้ตลอดไม่ได้อะนะเพราะว่าการ รู้ก็ไม่เที่ยงการเผลอก็ไม่เที่ยงแต่ต้องปฏิบัติเป็นนะพวกปฏิบัติไม่เป็นนี่เผลอตลอดแหละจะมาบอกว่าจะรอดูว่าเผลอไม่เที่ยงหนึ่ง ไ, ไม่ได้เรื่องอะ่ะเนี้ยหลงอยู่ตลอดไปบ้ากป็นไงค่อยๆ ร, รู้สึกไปนะ จตใจมันค่อยตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาเป็นตัวของตัวเองฝันไปแนละ้ว <c oughs> ั น, <c oughs> นง่ายมาก <c oughs> ง่ายสินะรู้ตัวแวบเดียวก็จะฝันนะแล้วธรรมชาติเป็นอย่างนั้นด้วยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ว่าเราชอบที่จะรู้แล้วเกลียดที่จะเผลอนนะ รู้กัะเพลอมันก็เกิดไปเรื่อยๆนะมีเหตุมันก็เกิดขึ้นมาบังคับไม่ได้หรอกเหนไหมจิตใจวับแว๊กวักแวไปเรื่อยนะเป็นเนหตุแม้จิตเดี๋ยวก็เกิดทางตาเดี๋ยวกเกิดทางหูเดี๋ยวกเกิดทางใจเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆรู้สึกไป